ตอนที่สิบสามติดสมาธิ อยาแยกหนีไปแม่กายจะช้ำอยู่ป่าน่ากลัวเสื้อช้างรอบตัวตามเขาท้ำหนาวในประกรรมถึงยามหน้าหนาวทนราร้อนมีผ้าอยู่เพียงสามพื้นสังคาสะบงจีวรไร้เตียงผ้าห่มฟูกมอขอาไซนอนเพลิงริมไม้เดินจงกรมจนหท้าระบบเหมือนไฟ ไม่ท้อถอยเลยจิตใจจนสมาธิได้แน่นอนเลยติดสมาธิอยู่เพราะความไม่รู้ ไ ป, ไปไม่ย้อนติดอยู่ห้าปีไม่มีทาที่ผ่านพ้ น, นไม่อยากจากจรหคิดเอาแน่นอนนี่คือนิพพานไปคิดเอาเองไปลงเอาเองเลยเคว้งอยู่นานเทียง ก, กันกับท่านอาจารย์มันนังจนท่านแทบนายสมาธิจิตท่านบอกจะติดไปทําไม ยงใช้ปัญญาคู่ไปเป็นปัจจัยมรรคผลนิพพาน ้ยเหตุด้วยผลมิใช่ยกตนเสมอท่านแต่แตกต่างกันในทางภาคเรียนเรียนรู้มากตามหลักตามเกณฑ์จนพระและเนนทั้งวัดหือหามาเต็มใต้ถุนศาลานิ่งฟังวาจาสองฝ่ายจนในที่สุดหลวงผู้มั่นบรรยาย เหตุผลต้นกลางบันปลายในสมาธิจนแจ้งจริงท่านมหาสบายเหรอใจนะ่ะ สบายดีอยู่สบายดีขอรับท่านจะนอนอยู่กับสมาธิอย่างนั้นเหรอท่านรู้ไหมสุขในสมาธิเปรียบเหมือนเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมว่าติดในสมาธินั้นเหมือนเนื้อติดฟันนั่นแหละมันสุขมากหรืออย่างไรเนื้อติดฟันนะ่ะท่านรู้ไหมสมาธิ ท, ทั้งแทงนั่นแหละคือสมุทัยทั้งแทงท่านรู้ไหมถ้าว่าสมาธิเป็นสมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินทางไหนครับ มันไม่ใช่สมาธิตายนอนตายอยู่กับสมาธิอย่างนี้หรอกสมาธิของพระพุทธเจ้าสมาธิต้องรู้สมาธิปัญญาต้องรู้ปัญญาอันนี้มันเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยมันบ้าสมาธินี่สมาธิแบบนอนตายอยู่อย่างนี้นั่นละจะเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าก็ได้โต้เถียงกับหลวงปู่มั่นจนตาดำตาแดงจนกระทั่งพระทั้งวัดแตกฮือกันมาอยู่ใต้ถุนศาลานี่พระฟังการโต้กับหลวงปู่มัน่น ไม่ใช่โตโดยทิพติมานะอวดรู้อวดฉลาดนะแต่โตโดยความที่เราเข้าใจว่าจริงอันหนึ่งของเราส่วนท่านก็จริงอันหนึ่งของท่านสุดท้ายก็หัวเราแตกถ้าพูดในสมัยนี้ก็คือหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนั่นแหละเพราะหลวงปู่มั่นท่านรู้โดยแจมแจ้งมาก่อนแล้วส่วนเราพูดทั้งทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจแต่เข้าใจไปว่าสมาธินี่มันจะเป็นนิพพานแล้วสุดท้ายก็ได้ทาน คือหลวงปู่มั่นมาช่วยชี้แจงอธิบายจนเข้าใจอย่างแจ้งประจักษ์ผมลงกราบท่านด้วยความเคารพอย่างสุดหัวใจและเธอทูลในภูมิธรรมของท่านรางนึกตําหนิตัวเองว่านี่เราเก่งมาจากทวีปไหนนี่เรามามอบกายถวายตัวต่อท่านเพื่อศึกษาอัจฉริาหาความจรงิงทําไมวันนี้จึงมาขึ้นเสียงโต้เสียงกับท่านยิ่งกว่ามวยชิงแชมเปี้ยนซะอีกถ้าไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านสอนนี้แล้วมาหาท่านทําไม ถ้าว่าเราวิเศษวิโสแล้วทำไมเราต้องมาหาครูบาอาจารย์ด้วยละ่ะโอ้ตัวเรานี้เป็นถึงขนาดนี้เชียวเนอสุดท้ายท่านก็ออกก้าวทางปัญญาตามที่พระอาจารย์มั่นท่านเมตตาชี้แนะไว้ทุกประการ